ผู้ทั่วสวัสดีค่ะท่านทางเอที 106 สถานีวิทยุครอบครัวข่าวที่ ปีเก่ากำลังจะผ่านไปแต่บางคนบอก ครับงั้นค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีนี้เป็นวันใช่เวลาเนี่ยมันมันไปเรื่อยปีนึง 2 10 ปีแล้วลืมไปเลยโอ้นิดเดียวเองแป๊บเดียวเองเอ่อ โอ้โหเอามากที่สุดก็ 80,000 ปี 80,000 โอ้โหคิดไม่ 200 ปีนี่คือหมายความว่าคิดเป็นไม่ถึงเลยนะรอบดวง ประมาณ 100 รอบเราจะผ่านดวงที่แค่ 100 เที่ยวนะรอบอยู่รอบรอบเท่านั้นเองค่ะอืมขอประทานโทษนะ 80,000 ปีอืมทราบได้ยัง นะคือที่เราไปเข้าใจๆแล้วมนุษย์เนี่ย 80,000 ปีนะปรากฏว่าจาก 80,000 ปีมาก็ปีเห็น นะคือคืนนี้ไม่ใช่ว่าคนเดียวนะแต่ว่าเป็นหลายๆรุ่นหลายๆรุ่นผ่านมาผ่านมาเนี่ยทําให้ไอ้ 2 รุ่น <ใช>ก็ตามบันทึกต่อๆกันมาในประเทศที่มั่นใจได้ว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ แต่ดิฉันเนี่ยนะคะก็มาสังเกตกันนะคะเอ่อว่าความคนเนี่ยทําให้สงบมันทําให้เกิดความทําลายล้างมันทําให้บึ้มสมมุติเธอเกิดกดระเบิด เป็นไปได้ในสิ่งที่เป็นพุทธทํานายอ๋อไม่ใช่พุทธทํานายสิคะ เหมือนกับมีการพูดทํานองที่แต่ปรากฏว่า เปลลักหนักของวิวัฏฏกะนั่นคือแตกไปแล้วก็มาเป็นวัฏฏกะคือรวมกันใหม่ นะด้วยความเป็นเทวดามันก็จะไปกําเนิดอย่างทั่วๆไปไม่ได้ละไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ผุดมาเกิดก็<ใช> นะ. 94% 99% อย่างเงี้ย ทำให้อ๋อนี่หมายถึงว่าตกต่ำลงมาคล้ายลิงใช่พัฒนาจากลิงขึ้นไปไม่ใช่ไงเนี่ยคือประเด็นใช่กลับทางเลยนะคะนี่อ่าอืมหรือเรา ไม่อยากอยู่นานแล้วเดี๋ยวกลัวเป็นลิงคะทั้งคะถึงๆที่ที่คิดว่าเล็กๆ <Okay. S 1> ที่อยู่ข้างภูเนี่ยสมัยความรู้ขึ้นเนี่ย 4 วันนะลง 4 วันนะขึ้น <c oughs> 4 วันลง 4 วันนี่มันใหญ่กว่าภูเขาไอ้ดอยอินทนนท์อีกๆวันอาทิตย์ ขึ้นแค่ 20 นาทีถ้าใครเนี่ยขึ้น 20 นาทีลง 20 นาทีแค่นั้นเองอ่าซึ่งค่ะซึ่งทําให้อาตมาคิดว่าโอ้โหๆที่ที่นักวิทยาศาสตร์เค้าว่าเอ่อเมื่อไป ความรู้สึกรู้สึกโอ้โหขนาดเค้าสร้างมาแข็งแรงใหญ่โตเหมือนกับอือแต่พอขุดค้น 3, 3 คนโอกใช่ นั่นแค่แค่เค้าเรียกอะไรคะปีไม่กี่ไม่กี่พันปีท่านครับดิฉันใช้คําว่าตั้ง คราวนี้เดี๋ยวดิฉันจะเลยประเด็นหลักสําคัญๆก่อนคนช่วงนี้เห็นอากาศหนาวก็อยากซื้อ ใครกําลังสนใจจะซื้อหมวกไหมพรอมถวายพระหรือว่าอาจจะบอกแม้อย่าถวายพระห่มพระเงี้ยฟังทีเดียวเลยนะ ใช่มั้ยหมวกแคปเค้าก็ใช้แคปเค้าไม่ได้เรียกว่าหมวกแบบที่เราใช้กันซึ่งซึ่งคําที่พระเจ้าบอกว่าห้าม<อ> จะเรียกเป็นสัพท์อื่นที่สามารถมาใช้คลุมได้ในการที่จะป้องกันความหนาวอันนี้ได้ไม่ 5 นี่คือหมวกที่เป็นปีกมีขน ไอ้คุณเป็นสามเณรนะสามเณรเค้ามีเครื่องบ่งบอกอะไรกลนผม ค่ะไม่ต้องว่าให้แล้วแล้วกันเอ่อให้อย่ามากังวลใช่ๆๆค่ะทีนี้พระห่มนะคะเราเห็นบอกว่า 3 ผืน แล้วซึ่งถ้าจะมีมากกว่าได้ค่ะอ๋อไม่ไม่ใช่ๆค่ะแปลว่าเมื่อศรัทธาเกิดในใจก็ตรวจ ก็ท่านโทนะคะเวลาไปวัดที่เย็นๆเห็นใจ ได้แจ้งว่าอยากจะให้ไปร่วมกิจกรรมสําหรับดิฉันเนี่ยดิฉันก็เลยทางทางวัดปัดอไนโซก็เตรียมการที่ นมิตีไปสู่ตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็ๆด้วยเช่น 1 ถึง <Okay. S 1> 11 มีนาคมเนี่ยเป็นเวลาทั้งหมด <Okay. S 1> 11 วัน 1-11 1-10 แล้วก็กลับ 11, แล 11. <Okay. S 1> เนาะค่ะเอ่อกิจกรรม ตอนนี้ประญาตรัสอะไรนะกระทิอ่าอ่านพระสูตรแต่ละตําแหน่งซึ่ง เอ่อส่วนใหญ่ที่ไปกันเนี่ยก็จะสวดต่างๆนะพระค่ะเท่ากับว่ากําลังจะ ในสูตรอื่นเราก็จะเอาเอ่อเรื่องที่พระ hmm. 3 บรรทัดนะ ทำความเพียรยังไงทําไมเอ่อปัญจวัคคี 2 ภาษาอ๋อค่ะอ๋อแล้วถ้าหากว่าสน 4 มกราคม แล้วเขาควรจะประสานงานยังไงคะเพราะว่าดิฉันคงไม่ p u r e d h a m m a.com ที่นั่นก็ นะคะกรรมการขอบพระคุณท่านเป็นบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะท่านแต่ละคนก็ลองพิจารณากันง่ายๆนะ uaredhamma.com e ค่ะวันนี้